ใจทำทำโดยความพอใจทําด้วยความยินดีทําด้วยความหวังมีหวังเป็นทําจนได้ทําจนมีทําจนเป็นให้เราถือว่าเราทําเป็นภาคบังคับบังคับตัวเองในบรรดาคอวัดทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ถือว่าการภาวนาน ถือว่าเป็นเป็นภาคบังคับบังคับเราเองแล้วอันนี้มันเป็นหน้าที่โดยตรงถ้าเราไม่ทําวันคืนร่วงไปเราก็เปล่าประโยชน์มีสละประปังอย่างอื่นเราทําเราก็เหน็ดเหนื่อยไปปล่อยใจล่องลอยแล้วยิ่งเสื่อมเสียไปอีกถ้าหากไม่ปล่อยใจล่องลอยเราอยู่ในอิริยาบดใด อยู่กับทุระปะปังหน้าที่การงานอย่างไรเราก็ไม่เสียประโยชน์ตนก็ไม่เสียประโยชน์ท่านก็ไม่เสียมันยากหรือมันง่ายเราก็ดูที่ตัวเราเราตั้งใจทำให้สงบมันสงบัหมไม่สงบด้วยเหตุใดห้านาทีสิบนาทีจิตอยู่กับเนื้อกับตัว รรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวกับความรู้สึกของตัวมากน้อยเท่าไรแค่ไหนอยู่น้อยไปมากอยู่เท่ากับไปหรืออยู่มากไปน้อยก็เป็นเหตว่าเราจะต้องเราจะต้องทําทําจนจิตได้รับความสงบได้รับความอิ่มเอิบได้รับความเอิบ อ, อิ่มภายในจิตใจได้รับความอิ่มที่ทีาเรียกว่าอิ่ม อ, อกอิ่มใจแนบแน่นอยู่ในหัวใจจิตได้รับความสงบสงบอันเกิดจากการที่เราตั้งใจบริกรรมก็เป็นเหตุให้แนบแน่นที่หัวใจได้เป็นเหตุให้ปีติมีความสุขมีความชุ่มเย็น มีความอบอุ่นมีความหวังพึ่งเป็นพึ่งตายได้เช่นเดียวกันให้ถือว่าเป็นภาคบังคับของใครของเราอย่าปล่อยละเลยอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าเพ่งมองคนนั้นทำหรือไม่ทำคนนี้ทำหรือไม่ทำให้เพ่งมองมาที่ตัวเราเราต้องตั้งอกตั้งใจทำ เพราะผลรายได้เป็นของเราเองคนอื่นทำผลรายได้เป็นของเขาคนคนอื่นไม่ทำผลรายได้ก็เป็นของเขาทำมากทำน้อยผลรายได้ก็เป็นของเขาที่สำคัญที่สุดคือผลที่จะเพิงเกิดขึ้นกับเราเราตั้งใจทำมากเราตั้งใจทาน้อยหรือเราไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจทำเลย เราตั้งใจตั้งอกตั้งใจทำอย่างได้หลักได้เกณฑ์ได้ข้อปฏิบัติได้รับความกรีมยิ้มย่องให้กับใจของตัวเองเราให้คะแนนเราเองเราบังคับเราเองผลลายได้เป็นของเราเอง มีอัตตาหิอัตโนนาโทโดยแท้เป็นหน้าที่โดยตรงของเราอย่างอื่นถือว่าเป็นหน้าที่โดยอ้อมไปแต่เราเอาหน้าที่โดยตรงนี้ไปกํากับหน้าที่โดยอ้อมเอาอะไรไปกํากับเอาความตั้งอกตั้งใจกําหนดจดจอ่ออยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอด ไม่ว่าจะทําข้อวัดปัดกวาดเช็ดถูไม่ว่าจะล้างบาตรเช็ดบาตจัดบาตรทำความสะอาดบาตเข้าถลกบาตเก็บผึ่งตาบาตและเก็บเข้ากุฏิเราต้องตั้งอกตั้งใจทําลงไปบินทบบาตรเราก็ตั้งใจตั้งแต่ลงจากบันไดนี้ลงไป ให้อยู่กับความรู้สึกเนะ้รู้สึกตัวตัวตลอดตั้งแต่เออกไปไม่ทิ้งคบริกรรมกำหนดบริกรรมไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวจิตมีสติมีสัมปชัญญะกำกับตลอดเม่มีสติมีสัมปชัญญะกำกับ จิตก็เป็นตัวของตัวที่ทำเพื่อวายอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวไม่ใช่ร่างกายเดินไปคิดใจก็ล่องลอยต้องลอยไปไหนก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าก้าวไม่รู้ว่าเาาดินไม่รู้ว่าผ่านตรงไปตรงไหนบ้างอืบางทีก็เพลินกับการพูดการการคุยกันนี่ก็เป็นเหตุเสียเวลาไปบนรถรถเ ร, ถ ร, ถรถาก็ต่างคนต่างสํารวมระมัดระวังไปอย่าเสียเวลา มีเหตุจาเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยต้องบอกเป็นการเป็นข่าวแล้วเราก็หยุดไปเอาเป็นว่าแค่เข้าใจกันก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช่พูดคุยไปด้วยความเพลินไปความเพลินกิเลมแทรกเข้ามาเพลินไปกับอารมณ์ี่เลมก็แทรกเข้ามาเราเดินไปก่อนรถตามไปทีหลังเนี่ยรถสวนทาง เราก็ขึ้นรถไปรถใกล้จะถึงเราเราก็ต้องยืนหันมาทางรถไม่ใช่เดินกม้มหน้าก้มตาไปโดยที่ไม่ดูรถก็เราตั้งใจจะขึ้นรถอยู่แล้วในเมื่อรถสวนมาสวนไปข้างหลังเนี่ยตอนเช้าเราไปบิณธบาฏภาวะเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสายหนอง อ, อ้อไม่ว่าจะเป็นสายหน้องแสงก็เป็นอย่างนั้นพวกเราออกลุกหน้าไป ได้ยินรถมารถมาใกล้ยังไงเราก็จะต้องได้ขึ้นรถเราก็ยืนดูรถบางคนไม่สนใจไม่เหลียวมาดูไม่เหลียวมองให้ความสนใจเดี๋ยวดูสะหน่อยรถจอดเราก็ขึ้นแล้วมันเป็นการระมัดระวังด้วยบางทีไม่สนใจเกิดขยับเขยื่อนตัวตอนนั้นน่ะ มีโอกาสรถจะก็แทกได้รถจะชนก็ได้มีนก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีก็ยืนจ่อจออยู่ข้างๆข้างๆรถเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องระมัดระวังไปตลอดเช่นเดียวกันเดินไปถึงไหนแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปตามคนตามภาวนาไปถึงบ้านเราก็ลงจัดบาทจัดอะไรเอาบาทเข้าบาท แล้ต่างคนต่างเดินสำรวมระวังไปสำรวมระวังก็ต้องดูคนต้องดูรถเราไปที่ถนนเราไปกลางถนนต้องดูรถต้องดูคนต้องดูคนใส่ต้องดูคนใส่ไปเรื่อยตาก็สำรวมระวังมองในบาทมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปกับการที่เราเดินบินทบาทอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสำรวมระมัดระวังอยู่แล้วอ กิริยาข้างนอกเป็นกิริยาที่สำรวมระมัดระวังที่สําคัญที่สุดก็คือสำรวมระมัดระวังข้างในภายในจิตของเราไม่เผลอให้จิตนึกคิดล่องลอยไปตามเราตามเราวไปกิ่ทวีเราก็ไม่ทราบทราบไได้ถือว่าอยู่ในหน้าที่เราบินทบานเราก็อยู่ในหน้าที่ไปถึงทางสี่แยกไปถึงที่ควัเทบาทใครจะถือธุดง ก็เทในสิ่งที่เกินจําเป็นเอาแต่สิ่งที่จําเป็นใส่บาตรเข้ามาจะตรงไหนก็ตามสีแยกหนึ่งสีแยกสองตลอดจนสุดแถวปลายแถวบินทบาตไม่ว่าจะเป็นน้องแสนไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อเราก็ละมัดระวังอยู่อย่างนั้นคนใส่บาตรเด็กเล็ดผู้เฒ่าคนแก่ผู้หญิงผู้ชายเราต้อง ระมัดระวังท่านให้มองที่ในาบาตรเรามองในาบาตในเมื่อเรามองไปแล้วเห็นแต่ ม, มือเขาเข้าไม่เป็นไรเพราะเรามองในบาตอยู่แล้วอย่าไปมองเลยบาตเลยไปเห็นคนนั่งเธอขาดความสํารวมระมัดระหว่างข้างในเป็นเหตุให้ไปจด ไปจ้องไปอะไรแต่ไรนี่เป็นสิ่งที่น่าละอายมากไล่ให้กับตัวเองเพราะเราเป็นสมณะเป็นเพศที่สงบงบเงียบเป็นเพศที่ส้ำรวมระมัระวัง น, นั่นแหะคือกิริยาที่กิเลมันออกหากินมันอยากเห็นว่ามันอยากเห็นนี่อย่าเห็นสิ่งแปลกอยาเห็นอะไรแต่ายตามอำนาจของมันเราก็ดูเอา แลกกลัมาสุดสายปลายแถวเราก็ขึ้นรถขึ้นรถเราก็ขึ้นมาต่างคนต่างบริกรรมภาวนาให้ความสําคัญให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการกําหนดจดจ่อจ้องย้อนมาที่กิตของเจ้าของเราสำหรับรมัดระวังอยู่ตงนี้เราจะได้รับความอบอุ่นจะได้รับความสบายใจปลอดโปร่งใจ ผลคือความสงบก็จะเริ่มมีเริ่มปรากฏขึ้นในใจของเราเกิดขึ้นทั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งออกตั้งใจไม่ใช่ฟลุกนะเพราะการทำอะไรที่เราถือว่าเราฟลุกนั้นเป็นเหตุมันเป็นการว่าเราว่าเอาเองเราต้องดูไปที่เหตุเราทำอะไรเราถึงได้อย่างนี้ทำยังไงจิตใจเราถึงจะปลอดโปร่งเบาสบาย มีความคล่องแคล่วดูไปเหมือนกับมีความสว่างสวัยแพรวแพรในตัวแล้วก็นดูเวลามันเกิดเปนเกิดยังไงเกิดเวลาเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อเรากระดุกระดิกคือจิตขยับเคลื่อนแล้วก็ย้อนไปที่เหตุเก่าเหตุเดิมพิจารณาต่อย้อนไปที่เหตุเดิมแล้วพิจารณาต่อไม่ปล่อยความรู้สึกก็จะได้รับความสงบ จะได้รับความแนบแน่นในคำว่าบังเอิญหรือคำ ว, ว่าพลกุกพลุกมันก็เกิดไม่ได้เนื่องจากเราเห็นสาเหตุเห็นต้นต่อของมันมีการตั้ง อ, อกตั้งใจระมัดระวังทั้งนี้เพื่อผลได้มาคือความสุขคือความสงบจิตได้รับความสงบที่เราเรียกว่าจิตมีสมาธิหลวงตาท่านให้บริกรรมไม่ให้ทิ้งคำบริกรรมถ้าทิ้งคำบริกรรมเดี๋ยวเราก็เผลอละ บริกรรมยังไงบริกรรมก็คือว่าซ้ําๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่กับความรู้สึกกับกับคํำนำริดคําว่าพุโทโธที่บริกรรมอยู่กับคําบริกรร ม, มเราต้องพยายามต้องออกต้องใจทําอย่างต่อเนื่องไม่งั้นไม่ติดไม่ติดคืออะไรคือจิตมันไม่สงบนะมันไม่ติดมันไม่ติดมันไม่เกาะอยู่กับอารมณ์ที่เราเอามากํากับให้เขาว่านะมันอยู่ไม่ได้ มันสู้อำนาจของความอยากไม่ได้ความอยากมันแทรกเข้ามาที่จิตจิตก็หลุดไม้หลุดมื อ, อแล้วก็ไปเกาะไอ้สิ่งที่มันเสกว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ตามอำนาจของความอยากหลุดไปแล้วทิ้งอารมณ์ไปแล้วระยึดอารมณ์ใหม่แล้วเอาไม่รู้สึกตัวมันละเอียดเข้ามาที่จิตมันต้องใช้ความถี่เข้ามาที่จิต เหตุที่จะทำให้เราได้ผลติดไม้ติดมือก็คือความระวังความระวังทั้งภายนอกความระวังทั้งภายในพุทโธพุทโธพุทโธพร้อมกับความรู้ตัวพร้อมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่เปลี่ยนคำบริกรรมไม่เปลี่ยนความรู้สึกจับอยู่กับความรู้สึกทํามัดระวังเวลาจะเปลี่ยนความรู้สึก เปลี่ยนเช่นไรมีเสียงมาสัมผัสที่หูมีรูปรแปลกๆมาสัมผัสทางตาอิริยาบทยืนเดินก้าวซึ่งมันจะเป็นเหตุให้เปลี่ยนอารมณ์ทั้งหลายมันก็จะเป็นเหตุให้เปลี่ยนไปตามนั้นความอยากอันเป็นเรื่องของตัณหามันจะมันก็จะแทรกเข้ามาตอนนั้นถ้าหากเราขาดความสำรวมเรามาระวงังนี่เราต้องอยู่ในหน้าที่ตรงนี้อย่างต่อเนื่องมันถึงจะได้ผล ได้ผลขั้นบังคับให้อยู่กับคําบริกรรมเราก็บังคับในเมื่อเราบังคับในเมื่อเราไม่บังคับเราเพียงแต่กําหนดรู้เฉยๆอันนั้นเป็นผลเราทําไปนานๆแล้วมันจะเป็นเองแต่สำหรับใหม่ๆนั้นเราจะต้องมันหลุดมาลงมือไปเราก็ดึงเข้ามาหลุดจากความรู้สึกไปดึงเข้ามาหลุดเข้าไปก็ดึงเข้ามาหลุดไปก็ดึงเข้ามายื้แย่งกันอยู่อย่างนี้ เราให้จิตมันอยู่ให้จิตมันค้นให้จิตมันเชื่องเชื่องกับอารมณ์ให้ได้รับความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมไปในขณะเดียวกันคือรู้สึกทั้งคำบริกรรมรู้สึกทั้งกายได้รับความแนบแน่นให้มีความสัมผัสสัมพันธ์กันตลอดอยู่ในขั้นที่ว่ารู้สึกกายด้วยแล้วก็รู้สึกคำบริกรรมด้วยเราก็กำหนดอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าจะทิ้งความรู้สึกตางกาย เหลือแต่กับเหลือแต่กับความรู้สึกกับคำบริกรรมที่สัมผัสสัมผัสเฉพาะคำบริกรรมหรือจนจนอิ่มจนพอทิ้งคำบริกรรมสงบอยู่กับผู้รู้สงบอยู่กับความสงบผู้รู้อยู่กับผู้รู้มีความสงบมีความแนบแน่นไม่มีคำดําบริอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง อันนี้คือทิ้งคำบริกรรมแล้วก็ทิ้งอารมณ์ทางกายเข้าไปสงบอยู่จำเพาะจิตถึงขั้นละเอียดจริงๆก็ต้องไปอยงป่างนั้นมันต้องขยับมาจากของหยาบๆมันก็ละเมื่อเลยละเมื่อเลยละเมื่อเลยละเมื่อเลยลดความรู้สึกเมื่อเลยลดอารมณ์ลดอารมณ์เนละลดแล้วก็ล ะ, ล ะ, ล, ะ, ล, ะละวิตกที่แรกก็มีวิตกแล้วก็มีวิจารณ์มีปิติมีสุข อันเกิดขึ้นจากเอกคตานี่คือองค์แห่งความสงบนะจากนั้นไปก็ละวิตกละความตรึกนึกคิดละวิจารความระมัดระวังตั้งเนื้อตั้งตัวประคับประคอง ม, มันละไปพรมันเองลตทปิติกับความสุขกับอารมณ์เดียวเอกคาตารมคิดมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยจะมันละปิติแต่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ ละพิติลักความสุขเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาจิตเป็นอันเดียวจิตเป็นหนึ่งเดียวกับความวางเฉยนั่นคือความละเอียดของมันความละเอียดของมันเราทําไปเรื่อยมันก็ลดไปเรื่อยละไปเรื่อยละไปเรื่อยละไปเรืเ่อยมืนก็เราเข้าไปแล้วมันลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปยังไงเราก็ทำให้ให้เกิดให้เป็นอันนี้คือคือความสงบเมื่อความสงบ เริ่มมีขึ้นสัจธรรมทั้งหลายก็จะเริ่มมีขึ้นเริ่มปรากฏขึ้นแม้ความสงบก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าหาเราไม่บริกรรมจิดไม่สงบจิตมันก็โดดดิ้นไปนั่นโดดดิ้นไปนี้โดดดิ้นไปหาฟืนหาไฟมาใส่ตัวเมื่อเราให้เขาอยู่กับคําบริกรรมก็คําบริกรรมก็ถือว่าเป็นคํําาอีกอย่างหนึ่งเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกอันหนึ่งจากนั้นความรู้สึก ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมชาติอยู่รอบข้างตัวเรามันก็จะเริ่มละเอียดละอ่อนละอ่อเริ่มอ่อนละเอียดก่อนเข้าไปเรื่อยอ่อนเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติตามหลักความจริงที่มันมีที่มันเป็นของมันรับทิฏฐิความนึกความคิดความเห็นอันเป็นใบตาอํานาจของความอยากอยู่กับความจริงความจริงก็คือสัจจ์แหละสัจธรรม สัตว์จะทำในกายเราสัตว์จะทำในจิตเราสัตว์จะทำรอบข้างตัวเราไม่ว่าจะเป็นฟ้าแดดินลมฝนตกต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆเราไปสัมผัสสัมพั์สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสัตว์จะโหยวกอยู่รอบข้างตัวเราอันนี้คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเราได้รับความสงบจิตได้รับความสงบความรู้สึกอันเกิดขึ้นจากจิตของเราละเอียด จากความสงบเนี่ยแหละมันทำให้เราไวต่อความรับรู้อารมณ์ตามหลักความเป็นจริงตามธรรมชาติทําไมงั้นเราก็เหมือนกับกายกับใจใเป็นอันเดียวกันเวลาใจมีความรู้สึกยังไงก็เมือนกับใจกับกายเป็นอันเดียวกันแต่ความพอเรามีความสงบเราจะรู้ว่าสภาพของรูปธรรมอย่างหนึ่งสภาพของนามธรรมอย่างหนึ่งอันนี้ก็ความจริงขั้นปรากฏ ปรับกดแกเราดัางะะนั้นท่านจึงให้ทําจิตให้ได้รับความสงบเมื่อสงบบ่อยครั้งเข้ามีกําลังท่านให้พิจารณาสงบบ่อยครั้งเข้ามีกําลังถอนออกมาแล้วก็ท่านให้พิจารณาพิจารณาก็คือมาศึกษาคนา้นคว้าพลิกแปลงค้นขุดคุยขุดคอนดูเหตุดูปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของอะไระ เหตุปัจจัยข้างนอกแล้วก็ละไว้ทิ้งไว้เราพยายามจับเหตุปัจจัยข้างในเหตุปัจจัยของกายเหตุปัจจัยของใจเมื่อเราทราบเหตุปัจจัยของกายเราดีเราทราบเหตุปัจจัยของใจเราดีเหตุปัจจัยนอกกายเหตุปัจจัยของสัตว์ของคนสิ่งของอะไรอย่างอื่นข้างนอกเพียงแต่เรายังกําหนดทราบมันก็อมันก็ซึมซับซึมทราบก็ไปกับหลักธรรมชาติอันนั้น อันคือความสงบคือคือความสงบความแหลมคมของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบเวลาเราเอามาพิจรารณาจิตก็อยู่จิตมันไม่หิวเนื่องจากว่ามันมีพื้นฐานของความสงบจิตไม่โดดดิ้นจิตไม่หิวไม่หิวอารมณ์อารมณ์รูปอารมณ์เสียงอารมณ์กลิ่นความนึกคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆที่ล่วงไป ไม่เสียดายอารมณ์ที่ล่วงไปไม่เสียดาย Little อารมณ์ที่เราเห็นว่าน่ารักน่าชังน่าชังก็ไม่รักไม่อะไรน่าชังก็ไม่รักไม่อะไรน่าชังก็ไม่น่ารักก็ไม่รักไม่อะไรน่าชังก็ไม่รักไม่อะไรไม่เสียดายทราบรับทราบแล้วก็ผ่านไปรับทราบแล้วก็ผ่านไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าจิตเราไม่เอิอบไม่อิ่ม ไม่มีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานมันหิวตลอดเวลามันทํางานมันก็ทํางานให้กับกิเลสความยินดีกับความไม่ยินดีคือความยินดีกับความยินร้ายมันจะแทรกเข้ามาตลอดนในเมื่อมันคอยที่จะแทรกเข้ามาที่ประตูใจประตูจิตของเราตลอดเนี่ยโอกาสหรือขณะจิตเดียวนะที่เราจะหลงเพลินไปกับมันหลงรักเข้าไปหลงชังเข้าไป บางทีอารมณ์ที่หน้ารักรู้สึกรู้สึกว่าจะหลุดหลุดตาไปนี่รู้สึกอะไรเสียดายต้องการอยากเห็นน่นั่นคือกามตัญหาตัญหามันอยากสิ่งที่เป็นอาหารอันโอดช้าของมันมันหลุดปากหลุดม้หลดมือไปเนี่ยมันดิ้นรนจะยืนก็ตามจะทําอะไรก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตาม กิริยาต่างต่เหล่า น, นั้นสักเาว่าเป็นกิริยาแต่ใจมันน้อมนึกถึงอารมณ์ที่มันเสียดายนั่นนี่ถ้าเราปล่อยจิตใจจิตใจไม่มีพื้นฐานของความสงบจิตใจมันจะดิ้นรนหายอย่างนั้นแล้วมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นนี่แหละคือวัฏตวนวัฏ ต, ววตสงสารวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละรูปเสียงกลิ่นรสปรพภธรรมอารมณ์วุ่นวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละ อันเก่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของเก่าเจอของใหม่วนเวียนไปดับไปเป็นของเก่าอยู่อย่างนี้แหละแต่เราก็ไม่อิ่มไม่พอเราไม่เห็นเงื่อนต้นของมันไม่เห็นเงื่อนทำกลางเลยไม่เห็นที่สุดของมันเนื่องจากเรามไมนเราไม่มีบาตรไม่มีฐานเพราะฉะนั้นท่านจิตทำจิตให้ส ง, งบได้รับความส ง, งบเมื่อส ง, งบแล้วมันจะค่อยๆซึมค่อยๆซับค่อยๆทราบ ซึมซับรับทราบอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจใจเดียวสิงเดียวเท่านั้นทําให้โลกนี้ปรากฏแก่เราถ้าไม่มีใจตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นสัมผัสก็ไม่สัมผัสอารมณ์น้อมนึ้อะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนคนตายรับรู้รักทราบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายปรากฏทางตาหูจมูกกายใจของเราปรากฏด้วย ด้วยเหตุว่าเรามีใจ เ, เรามีมโนมนโนทวารคือประตูใจเพราะฉะนั้น cool ประตูใจเป็นประตูที่เราจะต้องย้อนมาย้อนมาดูมันทํางานยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันออกไปยังไงมันไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ยังไงเหมือนกับว่าเราต้องตามดูตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจใจของเราตามดูตามรู้ตามเห็นกายของเราตามดูตามรู้ตามเห็นเวทนา อันเป็นส่วนของกายเวทนาอันเป็นส่วนของใจเวทนาทางกายเวทนาทางใจตามรู้ตามรู้ตามเห็นพิจารณาอัตถามันเป็นส่วนละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรงานของเราก็ว น, ว น, วนเวียนอยู่อยู่ในนี้อยู่กับนี้จนกว่าจะจะได้ผลเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแจม่มแจ้งรู้ว่าอะไรคือเหตุที่แท้จริงของกาย อะไรคือเหตุที่แท้จริงของใจเวลาใจคือนามธรรมทำงานสัมผัสัมพันธ์กับกายคือรูปธรรมมันทำงานสัมผัสัมพันธ์กันยังไงอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับกายมันเกี่ยวข้องกับใจมันเกี่ยวข้องยังไงผลต่อเนื่องตามต่อเนื่องมาอะไรจะเกิดขึ้นเป็นธรรมหรือเป็นเกิเลดเราก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะรับรู้จะรับทราบอยู่ทุกระยะทุกเวลาน วิธีการทําทั้งนี้สิ่งที่จําเป็นที่สุดที่จะต้องแนบแน่นมีผลเพิ่มคือบวกมีแต่บวกกับบวกบวกกับบวกที่เราควรจะให้มีผลเพิ่มอยู่ตลอดก็คือสติกับสัมผชัญญาจากนั้นก็อาตมปะคือความภาคความเพียรคันติโสรัจัสสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมข้งนอกแล้วก็สงบเสงี่ยมเข้าไปที่ข้างในคําว่าสงบเสงี่ยมก็คือมันสํารวมระมัระวังนั่นเรียกว่าสงบเสงี่ยม มีสติที่มีความลึกมีความตามรู้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีความอดความทนเป็นเครื่องประคับประคองมีความอุตสาพยายามที่จะเดินให้มนุษย์เป้าที่เราตั้งเอาไว้ประกอบไปด้วยอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะยินดีพอใจในการกระทําของเราในผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองจากนั้นความภากความเพียรก็ตามมาความกนดจดจ่อก็ตามมา ปัญหาที่เกิดข้องคาขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปตอนไหนขณะใดาเราก็พร้อมที่จะแก้มือว่าเราย้อนไปดูย้อนไปดูย้อนไปดูย้อนไปดูที่ใจย้อนไปดูที่ใจย้อนไปดูที่ใจเราจะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นระหว่างรูปธรรมกับ น, นามธรรมาามันเป็นสิ่งที่ไปสัมผัสสัมพัสให้เราเป็นไปตามอำนาจของกิเลสหรือเป็นไปตามอำนาจของธรรม ถ้าจิดแนบแน่นมีสมาธิอยู่มีปัญญาเป็นธรรมสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเริ่มปรากฏเดลนชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปเห็นส่วนปลีกย่อยจะเป็นส่วนหยาบจะเป็นส่วนละเอียดจะเป็นเหตุหยาบจะเป็นเหตุละเอียดจะเป็นผลหยาบจะเป็นผลละเอียดการที่เราเข้าไปสัมผัสสัมพันธสที่จะทําให้เรารับทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันก็พร้อมที่เราจะรับทราบได้เนื่องจากว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือมีการตามดูอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงข้างในงานของเราก็พันอยู่อย่างนี้พันอยู่แค่นี้ทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็พิจรารณาย้อนมาย้อนมาดูที่กายของเราที่ใจของเราย้อนมาดูอารมณ์ของธรรมย้อนมาดูอารมณ์ของกิเลสร้อนย้อนมาดูเหตุ ปัจจัยของกายย้อนมาดูเหตุปัจจัยของใจเราก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่อย่างเนี้ยจนกว่าเราจะทราบตามเหตุตามปัจจัยที่แท้จริงเนื่องจากเราไม่ทราบเหตุปัจจัยที่แท้จริงเราจึงหลุดไม้หลุดมือวิ่งเกาะอารมณ์นั้นวิ่งเกาะอารมณ์นี้เราดูอารมณ์ที่เราเปลี่ยนในขณะจิตของเราในเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีจิตเปลี่ยนไปกี่ครั้งกี่หอน เปลนอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนไปตาม อ, อำนาจของความอยากของมัน ม, มันดิ้นหาอารมณ์มันหิวอารมณ์ไปเกาะอารมณ์นี้ไปเกาะอารมณ์นี้คำว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่ใจไปเกาะเกี่ยวนั่นแหละใจไปเกาะเกี่ยวอะไรสิ่งนั้นแหะท่านเรียกออก่าอารมณ์เช่นอย่างรูปนี่ก็เป็นรูปอารมณ์เสียงก็เป็นสัทธารมณ์เสียงนี่เป็นสัทธารมณ์กลิ่นก็เป็นคันธารมณ์ภาษาบาลี าการสัมผัสก็เป็นโทตพารมณ์น้อมนึกในใจท่าน เ, าเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มันนึกถึงสัญญานั่นแหละที่มันล่วงไปนึกถึงรูปที่ล่วงไปนึกถึงเสียงที่ล่วงไปนึกถึงเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ล่วงไปเรื่องราวที่น่าให้รักน่าให้ยินดีก็อะไรเสียดายเรื่องราวที่น่าชังเวลาเราลึกเราลึกไปแล้วสิ่งเหล่านี้มาผลาธิจิด ไอ้ああ free, bag, نا, factor, Duke, ัน่ารักกับหน้าชังเนี่ยมันมีหน้ามีตาเท่ากันเหมือนกันเพราะมันเป็นมันเป็นผลิตผลของกิเลสเท่ากันเหมือนกันจิตไม่บริสุทธิ์เห็นว่าน่ารักก็ดึงเข้ามาเห็นว่าไม่น่ารักหน้าชังก็ผลักออกไปทั้งดึงเข้ามาก็ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของมันทั้งผลักออกไปก็ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของมันหน้าที่ของเราทําไงหน้าที่ของเราก็คือ พยายามทําให้รู้เหตุรู้ปัจจัยของมันรู้เหตุปัจจัยที่มันดึงเข้ามาน้อมนึกอารมณ์เขามายินดีพอใจแนอารมณ์ที่มันน้อมนึกเข้ามาติดแนบสนิทอยู่กับกายอยู่กับใจของเราเนี่ยโดยเหตุใดด้วยปัจจัยใดเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ปัจจัยในเมื่อเราย้อนมาเหตุปัจจัยที่จะพายเราะเลดิดเปิดเปิงไปมันก็นดับเละทําให้เรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมต้องจดจ้อ ง, อ ง, องออาเฉพาะนา มันไม่ลุกลามไปเลยคือมันดับตัวสมุทัยที่มันจะพึงผลักดันจิตออกไปมันดับความชั่งก็เช่นเดียวกันความโกรธความเกลียดชังพัดพอเราหมดจดจอ่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเหตุปัจจัยของมันมันก็ดับเห็นบ่อยครั้งเข้าเห็นบ่อยครั้งเข้าก็ทําให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในเหตุปัจจัยต่างๆแล่านั้นจนสามารถสงบได้ระ ง, งับได้แล้วก็ถอนได้ถอนได้ในที่สุด คือมันเห็นแจมแจ้งอย่างแท้จริงแล้วมันก็สามารถที่จะถอดถอนได้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงขึ้นมาที่เรเรียกว่าปัญญายานเกิดปัญญายานขึ้นมาจิตเปลี่ยนสภาพจิตเปลี่ยนสภาพมีความแนบแน่นกับผลที่ปรากฏขึ้นกลายเป็นผลต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นบาทของเรากลายเป็นฐานของเราทำให้เรายื น, ท ำ, น, นทำงานได้อย่างต่อเนื่องทำงานได้อย่าง จะหยาบเข้าไปลาะหาละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปายละเอียดเข้าไปเยอะเลยอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เราลองไปที่อื่นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่ทราบอเราจะนั่งอยู่คนเดียวก็ตามเราย้อนเข้ามาเราจะทราบเราจะนั่งฟังพูดฟังเทศครูบาอาจารย์ก็ตามเราย้อนเข้ามาแล้วเราจะทราบทราบที่จิตของเรามาสัมผัสกับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เสียงก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการน้อมนึกเป็นมโนภาพไปตามสัญญาตามคาดตามเดาไปก็ตามแต่ความรู้ตัวมันมีพร้อมอยู่ในนั้นมีความรู้ตัวพร้อมอยู่ในนั้นเพื่อเห็นเหตุที่แท้จริงพวงมันเพื่อเห็นปัจจัยที่แท้จริงพวกมันการที่เราเห็นนั่นแหละมันเป็นการทำลายความหลงความหลงมันเกิดขึ้นจากการยึดเกิดขึ้นจากการติด ติดผ้าหลายเพราะไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบสาเหตุต้นต่อที่ไปที่มาของมันก็เลยติดนะเมื่อเราทราบเหตุทราบปัจจัยของมันแล้วมันกลายเป็นความสว่างขึ้นที่ใจเหุ่ปัจจัยต่างๆ่างเหลา้นก็ดับไปตัณหาคือความทยานอยากของจิตมันก็อ่อนแรงลงแล้วก็เบาบางลงแล้วก็หมดไปหมดไปเป็นขัน้นเป็นขัน้นเป็นตอนไป คือการตั้งใจภาวนาผลมีปรากฏขึ้นที่ใจของเราผลแปลปราดอัศจรรย์อย่างอื่นก็เป็นอุปนิสัยคล้องไขของเราไปแต่อย่าไปหลงไปตามสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจสุ่มดาวไปตามสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวต้องพิจารณาเข้าในหลักกายในหลักเวทนาในหลักจิตและในหลักธรรมน้อมลงใน ในเรื่องของทุกเรื่องของสภาวะทุก์น้อมลงไปที่เรื่องของสมุทยัยคือตันหาการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเมื่อเราน้อมไปเห็นมันก็นดักลายเป็นนิโรธในลักษณะที่เราน้อมนึกคลี่คลายพิจรารณามันก็เป็นการอบรมมากเป็นการเจริญมากถึงขีดถึงขั้นที่จะพอรู้ได้จะเข้าใจได้ก็จะต้องรู้จะต้องเข้าใจ เพราะงานทั้งนี้เป็นงานที่มีเหตุมีผลไม่ใช่เป็นงานไม่มีเหตุไม่มีผลงานมีเหตุมีผลเราทำด้วยเหตุด้วยผลเราจะต้องรู้ได้ว่าอันไหนเป็นตัวเหตุเหตุอันนี้เป็นเหตุให้เกิดอะไรเป็นผลผลอันนี้มาจากเหตุอะไรดูให้ทะลุ ป, ปุปร่งพยายามจับอย่างต่อเนื่องภายในจิตของเราจับอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเหมือนเรามีความรู้สึกกับการก้าวเดิน ก้าวขวาต่อซ้ายต่อขวาต่อซ้ายต่อขวาทางความรู้สึกตลอดนี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นความเป็นเป็นข้อเปรียบเทียบความรู้สึกภายในใจกับการตามรู้อารมณ์ข้างในก็เช่นเดียวกั น, นเราอยู่กับสองอย่างนี่แหละอยู่กับความสงบเพราะความสงบเต็มที่มีกําลังใจมีกําลังแล้วก็พิจารณา อย่างเงินที่เป็นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์จิดธิริ ป, ปาติหารอะไรอย่างอื่นมันเป็นเครื่องล่อจิตใครมีเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็ยินดีไปเราก็ได้ความปลื้มปีติไปได้ความยินดีไปไดแปลกประหลาดอัศจรรย์ไปแต่เราอย่าหลงอย่าหลงเหตุหลงปัจจัยของมันถ้าเราหลงเหตุหลงปัจจัยเราก็ติดจริงต่างๆอันนี้ไม่ทราบว่าอะไรคือทุกข์ไม่ทราบว่าอะไรคือสมุทัยตัวที่แท้จริงทําให้เราเกิดเกิดทุกข์ เราติดจริงต่างๆเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าเราเกาะสมุทไทยเรายึดสมุทไทยรู้ตัวไม่ได้อภิชาบทบังมันละเอียดมากมันบทบังบทบังช่วงขณะพลิบตาเดียวของอารมณ์ที่จะพึงขยับของจิตจิตขยับจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งขยับจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่ ง, ง, ปงเปลี่ยนจากอารมณ์หนึ่งไปหาอารมณ์หนึ่งถ้าเราทันมันก็ยั บ, ยบ ยับยับยับยบยบถ้าเราไม่ทันมันบดบางเราเราก็ตามมันไม่ทันมันไปปรุงจนได้จนเกิดความโลภเกิดความโกรธจนเกิดราคะจนเกิดตันหาจนเกิดความติดอกติดใจอต้องการสิ่งนี้แหละต้องการจะเอาอย่างนี้แหละคิดได้คิดดีคิดยินดีกับความอัศจรรย์ที่เรานึกได้เราคิดได้อะไรได้มันปรุงไปเป็นเส้นเป็นสาย ก็เลยเปิดเผยไปนอกเหตุนอกปัจจัยเราทราบไม่ได้สิ่งที่เราทราบไม่ได้คือตัณหาที่มันดันเข้ามาที่จิต เ, เราทราบไม่ได้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลกองทุกข์ทั้งหลายน่นเป็นผลกองทุกข์ทั้งหลายน่นเป็นผลโดยส่วนสภาวะธรรมคือร่างกายของเราน่เป็นส่วนของของกองทุกข์สภาวะของจิตเป็นส่วนของก อ, องทุกข์ เรากำหนดย้อนมาที่ใายือมื่อกว่าเรากําหนดทุกเร า, ากําหนดย้อนมาที่จิตคืเมื่อกว่าเรากําหนดทุกแต่ว่าทุกต่างๆเหล่านี้ Gor <ELLE. S 2> มันมาจากเหตุย้อนเข้าไปในเข้าหลักอริยสัจย้อนเข้าไปดูตัวสมุทยัยอาการของมันอาการของความอยากมันเกิดที่ใจ regulatory. มันอยากตายมันอยากรูปหรืออยากเสียงหรืออยากกลิ่นหรืออยากรสหรืออยากสัมผัสเนี่ยความอยามันมันจะต้องมีความอยาก ความอยากตัวนี้แหละเป็นเหตุความอยากตัวนี้แหละเป็นตัวกิเลสความอยากตัวนี้แหละเป็นตัวตัณหาความอยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละเป็นสมุทัยที่เราพึงกําหนดให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเรากำหนดย้อนมาดูมันดับเรากำหนดย้อนมาดูมันก็ดับการดับทั้งนี้อเราเห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับเราเห็นร่างกายอัตภาพร่างกายเกิดดับเกิดดับเกิดดับซัก เท่าไรก็ตามสู้เราเห็นสมุทัยเกิดดับเกอน ด, ดับไม่ได้มันได้กําลังใจมาที่ใจมันเป็นการตัดเกลเละเข้าไปที่ใจมันเป็นการแทะถางเกลเละในใจของเรานี้ให้เบาไปบางเข้าไปบางเข้าไปไหนสู้มันคจางเข้าไปจางเข้าไปเนื่องจากว่าเรารู้เราเข้าใจนี่คือข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้เป็นเรื่องภายในทั้งหมดเราไม่ได้พูดออกไปข้างนอกถ้าใครย้อนกาย ย้อนมาที่กายของเราย้อนมาที่จิตของเราอืคําพูดต่างๆเหล่านี้มันก็มาพันที่กายของเรามาพันที่ใจของเราทําให้เราเห็นเห็นงานที่เรากําลังทําอยู่ทําให้เราได้งานที่เราจะได้ทําำแล้วทําให้เราตั้งอยู่ในงานและทํางานได้อย่างเต็มไม้เต็มมือสติกำแนิแนบแน่นขึ้นสรรมยัญญากรรแนบแน่นขึ้น ปัญญาของเราก็แพรวพราวขึ้นสมาธิของเราก็แนบแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นงานการของเราจะเจริญก้าวหน้านี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติทําไมปฏิบัติเพื่อให้เห็นสัจธรรมเมื่อเราไม่เห็นสัจธรรมเราก็ลุ่มห ล, ลงยึดถือสัจธรรมเพลินไปกับสัจธรรมไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัย ไม่รู้ว่าอะไรคือข้อปฏิบัติอยู่กับความเพลิดความเพลินวันวันหนึ่งถ้าเราอยู่กับความเพลิดความเพลิน เ, เนี่ยเราทั้งคนเนี่ยกลายเป็นคนไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเหตุไม่มีผลคืออะไรเป็นเป็นเหตุอะไรคืออะไรคื อ, อ, คอเป็นผลเราไม่รู้เราไม่เข้าใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งผลทั้งปวงเน่ยเป็นผลที่เผ็ดแสบแต่หัวใจข อ, ของของท่านของเราเนี่ยเวลาความทุกข์มันมารบเราอยู่ที่ใจะ ความทุกข์กิริยาเป็นยังไงความโกรธระบุความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเป็นไงร่างกายก็ดิ้นเดาเดาเดเดเดจิตใจก็ดิ้นเดวเดาเดเดเดอันนั้นคือความโกรธที่มันเกิดขึ้นนั่นคือพิษภัยของมันอันนั้นคือความทุกข์ของมันมันมาเผาหล่นกายของเรามาผลเผาหล่นใจของเราความโกรธความโลภเป็นไงชวนเพลิดเพลินเคลิ้มก็ไป ปูเป็นบาทเป็นฐานเข้าไปเป็นเหตุให้เกิดตันหาเกิดราคะเพิ่มพูนทวีคูณจากตันหาหยับหยาบเข้าไปจนถึงตันหาละเอียดตันหาละเอียดเข้าไปตันหาละเอียดที่เขเรียกว่ากามกามาตันหากามวัตถุรวมไปถึงกิเลสกามมันค่ายในวัตถุวัตถุอะไรเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรส สิ่งที่ละเอียดลือกเขาไปที่เป็นยอดของกรรมก็คือมีความต้องการบุรุษต้องการสตรีสตรีต้องการบรุตรเราดูความอยากที่มันดิ้นเดวๆๆาอยูยยย่ที่ใจเป็นยังไงนั่นแหละคือตัวตัญหานะนั่นคือกริยาแห่งความทุกข์รือ ก, กองทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจดูให้ออกดูให้เห็นดูให้เข้าใจเราดูให้ออกดูให้เห็นดูเข้าใจแล้วเราจะเข็ดลาบพระไรเข็ดลาบพระไรเข็ดลาบเพื่อ ทำ้เราหมุนเข้ามาจ่อเข้ามาจ่อเข้ามากำหนดจุดจอ่จอไปเลยจะทําให้มันเนี่พลิกตัวจืดไปเลยจางไปเลยจางไเลยหายตัวไปเลยหดหายหดไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาไปเลยสมุทรไทยนี่เป็นสัตว์ธรรมแต่ว่าเป็นสัตว์ธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสัตว์ธรรมที่เกิดขึ้นด้วยกลด้วยวบายด้วยมายาของจิต สมุทัยทั้งนี้นะเพราะฉะนั้นเราจรึงสามารถชำระได้กําจัดได้นั่เมืม่อเราชำระหมดแล้วจิตของเราก็เป็นหนึ่งไม่เกี่ยวกับตันหากรารมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานะใจของเราไม่ได้อยู่กับตันหาใจอยู่กับผู้รู้ใจอยู่กับผู้รู้เป็นผู้รู้ที่อิสระเป็นผู้รู้ที่ไม่มีความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องอเป็นเหตุให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะ เพือิจฉาเกิดฤติยาอันเป็นเหตุให้เราร้อนทั้งกายให้เราร้อนทั้งใจกองทุกข์ทั้งหลายทั้ ง, งมวลเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจโอกาสที่เราจะเบื่อหน่ายคลายจางไม่มีหมุนไปที่อื่นเราไม่เจอเราต้องหมุนมาที่นี่หมุนมาที่กายที่เวทนาที่จิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะหมุนมาที่จิตเนี่ยถ้าหมุนมาที่จิตแล้วเรายังจับยากจับลำบากเพราะจิตมันละเอียดแล้วก็หมุนมาที่กายเอากิตนี่แหละมาพิจารณากาย เราจิตมากำหนดดูกายมากําหนดคลี่คลายกายมากำหนดพิจารณากายใ น, ในขณะที่เรากําหนดจดจอ่อพิจารณาเราก็นั่งหลับตา น, นั่งหลับเรานั่งหลับตดูสิ่งอื่นที่ปรากฏในความรู้สึกของเราสิ่งที่ปรากฏในความรู้สึกของเราคือลมลมหายใจเข้าเราก็ว่าพุทหายใจออกเราก็ว่าโทพุทโทพุทโธ มีตะลมกับคบําว่าพุทโธพุทโธในเมื่อเราเอาจิตมากากับกายจิตก็สงบอยู่กับกายเมื่อจิตเมื่อจิตมันไม่กําหนดจดจ่อกายจิตสงบอยู่จําเพาะจิตมันก็ได้ผลทั้งสองอย่างอแต่ถ้าหากมันละเอียดเกินไปเรากำหนดจดจ่อเราจับยากเราก็มากาหนดมาที่กายเพราะกายมันเป็นของหยาบเรากําหนดได้แล้วจับไง่ายนี่คือวิธีการ วิธการภาวนาหมุนมาที่ที่กายของเราหมุนมาที่ใจของเราหมุนไปข้างนอกอะเป็นเหตุให้เราเพลิดเพินไปเรื่อยแต่ถ้าเราเข้าใจจำแจงในข้างในสมัยจิตเราส่งออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็เอาข้างนอกมาเทียบกับข้างในเอาข้างในไปเทียบกับข้างนอกถ้าออกไปเฉยเฉยไม่ไดเอามาเทียบเนี่ยเรามีแต่เสียบเปรียบมันสมเสียบเปรียบกิเลสสมห้มันดึงออกไปจากกายของเราจากจิตของเราเนี่ย เราไม่ดึงมาเทียบกับกายของเราไม่ดึงมาเทียบกับจิตของเราเนี่ยเราเสียเปรียบมันตลอดมันไปเร็วไปง่ายเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาแป๊บเดียวไปแล้วแป๊บเดียวไปแล้วตัววิชามันละเอียดที่สุดอวิชาแปลว่าไม่รู้รู้รไม่ทันหรือตามไม่ทันมันก็ดุกระดิกพลิกตัวแป๊บเดียวไปแล้วถึงไหนก็ไม่รูแป๊บเดียวไปแล้วแป๊บเดียวไปแล้วเราต้องกําหนดจดจ่ออยู่ที่นี่มันโร่อยู่ตลอด ไปก็รู้อยู่ไปก็รู้อยู่ก็รู้เป็นยังไงก็รู้คลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็รู้หมดก็เข้าใจหมดมาที่สนามงานสนามกายสนามเวทนาสนามจิตแล้วก็สนามธรรมกำหนดจดจ่อพิจารณาย่อนกรมขอ ว, วัดปฏิบัติทั้งหลายที่เรากาหนดจดจ่อ พยายามตั้ง อ, อกต้องใจทำไม่ให้ขาดไม่ให้บกพร่องอันนี้ก็เป็นก็เพื่อเป็นการตะล่อมเข้ามาข้างในเนี่ยแหละลรอดความเป็นอยู่ของเราเรามีกายเรามีใจเรามีความเป็นอยูอ่ร่างกายเราก็ต้องดูแลเราต้องใส่อาหารเข้าไปเราต้องนุ่งห่มให้มันเราต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเก็บใครได้ป่วยก็ต้องมียูกยารักษาโรคร่างกายตัวนี้เป็นอย่างนี้ เราจะต้องดูแลรับผิดชอบกายเราจะต้องดูแลรับผิดชอบกายดูให้รูยให้ได้เข้าใจไม่งั้นเราก็หลงกายหลงกายเนี่ยมันติดทั้งดีใจทั้งเสียใจนะมั น, ด, มนดีมันติดมันติดมันติดในกายติดติดในแค่ติดในแง่ ติดในแง่ชอบใจนี่มันก็เป็นการติดติดในแง่ไม่ชอบใจมันก็เป็นการติดเนี่ย <Huh? S 2> ถ้า tensor, sag, er es, พ method, ูดเราพูดถึงเรื่องติดแล้วเนี่ยยินดีก็ติดยินร้ายก็ติดก็เพราะก็เพราะติดนล้มันถึงมียินดีก็เพราะติดแล้มันถึงมียินร้ายสบอารมณ์ก็ยินดีไม่สบอารมณ์ก็ยินร้ายอผู้ที่ท่านศึกษาท่านเข้าใจแล้วท่านเห็นท่านท่านก็สักเทว่าเห็นไม่ใช่สักเทว่าเห็นแล้ว ไม่ทราบเหตุทราบปัจจัยเหตุต้นต่อท่านเห็นทะลุปุโปรงหมดเรื่องยาวว่าท่านผ่านการฝึกมาแล้วรู้เข้าใจทั่วถึงหมดแล้วความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่วางวางเฉยเป็นความรู้ที่วางเฉยรู้เข้าใจวางเฉยไม่ใช่เฉยเมยมันเป็นการเฉยที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายดูรู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยไว้ดูรู้เข้าใจมันก็ปล่อยเข้ามนเองดูรู้เข้าใจมันก็ปล่อยเข้ามนเอง นี่คือแง่แง่คิดอุบายรรมที่เราได้จากการที่เราตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดต่างๆปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะอะไรนะี่เป็นข้อวัดทั้งหมดสติสัมพชัญญะกำกับแนบแน่นเข้าไปกำกับแนบแน่นเข้าไปรักษาิริยากายของเรารักษาิริยาวาิจาของเราเนี่ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติรักษาสบงกีวรบริการของเรา บาตรีวรของเรากุติเสนาสนะของเราเราตั้งใจมาระวังรักษาทั้งนี้เพื่อตะล่อมเข้ามาที่ใจของเราตะล่อมมาที่ข้อปฏิบัติของเราเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูปัดกวาดปัดตาเนี่แล้วก็ปัดไปปัดกวาดรอบกุติบริเวณกุติเราแล้วปัดกวาดมาในที่ส่นวนรวมกุติที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆกุติเราเราก็ต้องไปดูไปปัด ก<บ>าร <PTSD> ปรดัด น, นั้นถือว่าเป็นการกระทำข้อวัดโดยที่เราไม่ปล่อยปละละเลยข้อวัดข้อวัดต่างๆนี้ก็ส่อมาส่งผลมาที่ใจของเราทำให้เราเป็นผู้รู้จักรับผิดชอบรับผิดชอบตั้งแต่ของนอกกายรับผิดชอบมาจนถึงกายรับผิดชอบมาจนถึงจิตรู้ว่าอะไรจำเป็นเกี่ยวกับกายรู้ว่าอะไรจำเป็นเกี่ยวกับจิตรู้ว่าอะไรจำเป็นเกี่ยวกับของนอกกายเช่นอย่างสลาเนี่ย ที่อยู่ที่อาศัยใช้สอยหมูเพื่อนอะไรตัวไรหเห็นความจมําเป็นเราก็ดูแล้วก็จัดเราก็ทําไปเ <c oughs> วชกุดีเสียนาสนะเนี่ยเราต้องดูเ <c oughs> วชกุดีก็คือห้องน้ำโดยเฉพาะวัดเราเนี่ยเราก็พยายามเน้นให้ดูห้องน้ํานะใครปัดไปตรงไหนไปเจอห้องน้ํากล้ดูให้เปิดดูห้องน้ําสะอาดไหมมีอะไรอยู่ในนั้นพร้อมไหมใครผ่านตรงไหนเห็นตรงไหนก็เปิดดูทำความสะอาด ถ้าไม่มีใครทําเราก็รล้วเข้าใส่ไม่มีใครทําเราก็เลี้วเข้าใส่ออันนี้มันเป็นข้อวัดเป็นเวทจะกดฎีวัดเวทเจะกุดีวัดเวทเวทเจะวัดเนี่ยวัดวัดคือข้อปฏิบัติในห้องน้ํำคือสวมเะซสวมเป็นที่ถ่ายบรรเทาทุกข์ต้องดูเลยให้สะอาดที่ดูไปปัดไปกว่าห้องไหนไม่มีไม่มีไม่กว่าจะทำไปใส่นะ ไม่กวาดน้ําไม่ทางมะพร้าวนี่แหละเอาเป็นกรามเป็นกรรมมัดให้ดีไปห้อยเอาไว้อย่าไปทําเล็กๆเกท่าพ้อมือเน่ยมันไปปัดไม่ดีดกอกถ้าเท่าพ่อมือเนี่ยอย่างน้อยสักสี่สี่พ่อมือจะพอดีมันจะจับกวาดอย่างดีทางมะพร้าวสั้นๆเนี่ยไปปัดดีแต่อย่าไปตัดเราทําตาดก็ตามเราทําไม่กวาดปัดตามห้องน้ําก็ตามอย่าไปตัด จะไปตัดปลายอพอเราใช้ไปเนี่ยมันก็เฮี้ยนเข้ามาเองมันเฮี้ยนเข้ามาเองมันจะทําให้ปลายหยาบปัดน้ํามันก็ไม่ไปมันจะไปปัดที่ฝุ่นปลดอะไรมันก็ไม่ไปมันต้องอาศัยปลายละเอียดนีอันนี้ก็มีความจําเป็นเราก็ดูเราก็ทำเขาไปอย่าไปทําอย่างเดียวอย่าไปทำสิ่งเดียวทําไปด้วยก็หมดจดจ่อภาวนาไปด้วยรักษาเนื้อรักษาตัวระมัดระวังไปด้วย ในห้องน้ำมีกระดาษไหมมีแฟบไหมมีสบมพูไหม ม, ไห ม, มีเทียนไหมมีคนเข้าไปใช้ทางความสกรปรกใส่เกลือเข้าไปรองเท้านี่สกรปรกดูสะอาดเราก็ไปดูเอาน้ำาะอาดล้างให้สะอา ด, แ, ะะอาดแต่เรื่องแฟบเราก็ระวังระวังสักหน่อยไม่จําเป็นจะไปเทเทเทเทมีแต่แฟบบางทีมันไม่ได้สกรปรกเปลอะเปล่า อ, อ, อะไรมากไปใส่แต่แฟบนอกจากว่ามีคราบมีอะไรเราถึงก็เพิ่มไปใส่แฟบ ห้องน้ำทุกห้องให้มีไม้กวาดไม้กวาดที่เป็นตำ่ำทางมะพร้าวเนี่ยตามกติที่เราอยู่ต้องมีทำาบไว้ใช้ใช้มาคลองมือไปทำเล็กๆไปกวาดไม่ดีบางทีกระเฮี้ยนมีแต่ต่อก็กวาดก็ไม่ดีมะพร้าวเราไม่อดไปเอาต้านใหม่ๆมาเลาก็ไดออ้ตัวสั้นๆประมาณสองฟุตเนี่ยสาหรับปัดน้ำานี่ดีมากอันนี้เราก็ต้องทำ เราต้องสะอาดทั้งภายใ น, นต้องสะอาดทั้งภายนอกเป็นข้อปฏิบัติเป็นระเ บ, บียบไม่ใช่เป็นของต่ําเอาลองใครคิดว่าเป็นของต่ําเวลามีความทุกข์อะอย่าลองเราไม่ใช้มันดูเป็นไงนะลองไม่ใช้มันดูมีความจำเป็นมีความจําเป็นเพราะฉะนั้นมันต้องการความสะอาดเราต้องไปดูอะไรให้มันสะอาดปฏิบัติรอบข้างแล้วเข้าไปดูปัด หัดตรงอยากย่ายอะไรกันไลแต่จะไปตีแม่มาในตายกันแล้วกันแม่ย่ามุมมุมแล้วปัดเราดูแลรักษามันไม่ผิดดอกมันไม่เสียความเมตตาดอกพระเจ้าท่านให้ดูแลรักษาท่านให้ดูแลรักษานอกจากว่ามันย้อยย้อยเราทําเหมือนมองไม่เห็นเอะไปปัดหรือเดินเหยียบให้มันตายนี่ขาดความเมตตาแล้วได้บาปพร้อม ให้คุณระวังความฉลาดภายในใจของเราเนี่ยทํายังไงจะเกิดประโยชน์ทําไงบุญกุศลในกิตจในใจของเราจะเต็มตื้นเขินขึ้นอย่างรวดเร็วต้งองอกตั้งใจตั้งใจทําของใครของเราความขยันมันเพียรความอุตส่าห์พยายามของใครของเราทําไปตั้งออกตั้งใจทําเราทําประโยชน์ส่วนตนเราก็ตั้งออกตั้งใจทําไปทําประโยชน์ส่วนรวมเช่นอย่างมุงไปทําอยู่ขณะนี้ ส่เสริมกุฏิกุฏังอะไรก็ตั้งออกตั้งใจทําไปแล้วก็จะล่อมลงในประโยชน์ส่วนตนนั่นแหละในเมื่อไม่มีท่านให้เราทําประโยชน์ประโยชน์ส่วนตนที่เราจะพึงได้มันก็มีต้องอาศัยทั้งประโยชน์ส่วนตนอาศัยทั้งประโยชน์ส่วนท่านจะล่อมลงมาที่ประโยชน์ส่วนตนคือใจของเราบุญกุศลมันเต็มตื้นที่ใจของเราคนมีบุญมีความสุข มีความรู้มีความเข้าใจมีความคล่องแคล่วเกี่ยวกับธรรมทาให้จิตใจเบาสบายปลอดโปรง่งมีสติมีปัญญาพึ่งตนเองได้คนอื่นก็พึ่งได้ทําตนให้เป็นที่พึ่งของตอนเองได้ทําตนให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย่าเห็นแต่ความสําคัญในธุรการฝางหน้าที่ของตอนหน้าที่อย่างอื่นไม่มองไม่ดูเลยเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยต้องรับภาระส่วนนี้ไป มันเป็นมันเป็นความลักลั่นกันดูให้ทั่วดูให้ทั่วดูให้พร้อมดูให้ทั่วปฏิบัติให้พร้อมข้างน้ําข้างในเหมือนกันข้างในครัวในครัวข้างในเนี่ยครัวข้างนอกเหมือนกันใครอยู่ใกล้ๆที่ไหนก็ดูพระเราเนนเราดูในครัวทางนู้นก็ใกล้ทางในครัวก็ดู เราพระไปดูไม่ได้อันไหนที่อยู่ในขอบเขตของพระพระก็ดูอันไหนที่อยู่ในเขตตั้ง่าในครัวผู้หญิงอยู่ทางนู้นก็ให้ช่วยดูกันอย่าไปเกียงกันถือว่าใครทําใครได้ใครมอเตอร์ไซค์เขาเอาไปกินหมดอมืให้เราคิดอย่างนี้บงคนต้องตักตวงเราบางคนท่านฉลาดบางอย่างไม่ทันเขาเนี่ยถึงกับต้องไปขโมยทําก่อนเขา มวยทําให้เขารู้เขาเห็น่ะเอาคนเดียวอาไปจนหมดแล้วใครรู้ใครเห็นเรารู้เราเห็นแล้วใครได้เราได้เพราะเราทําอะไรทุกอย่างเราเป็นการประกอบเหตุเข้าไปผลมันก็ย่อมตามมาสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยคุณวางความดีนี้อยู่เฉยเฉยไม่มีที่จะเต็มเลยต้องอยู่อย่างประกอบอบุญภายนอกบุญภายใน ไปด้วยกันไปพร้อมกันในเมื่อเรามีกายเรามีใจความเป็นอยู่ของกายเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยกิวิหารานวัดเทนาชนะเวช ก, กุฎีคือห้องน้ําช่วงที่เก็บของส่วนรวมเอยลงคงโรงครัวเ อ, อะไรตอะไรเราดูอันไหนที่มีความเกี่ยวข้องจําเป็นมันเกี่ยวข้องกับกายเราก็ต้องดูแลรักษามัน ไม่ใช่นิยมชมชอบแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เจ้าของขี้เกียจทําและเจ้าของไม่ทํามีแต่ความทํารกแบบนั้นมันไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลเวลามีคนอื่นทําให้เราสะอาดสะอาดดีเวลาไม่มีคนอื่นทําให้เราสปกปรกเราต้องพึ่งตัวเองได้ทั้งหมดเรามีสิทธิ์ที่จะทําได้ด้วยกันทุกคน ไม่ใช่ว่าอันนั้นมีความจาเป็นเฉพาะเนนไปทำพระเราทำไม่ได้ยกเว้นแต่สิ่งผิดวินยยัยเช่นอย่างไปดึงหญ้าไปเด็ดกิ่งไม้ไปดึงกิ่งไม้ไปดึงหญ้าขาดอันนี้พระเราทำไม่ได้ให้เป็นเรื่องของเนรเราก็บอกเข้าไปให้รู้จักบอกทำไม่รู้จักบอกก็อับบตนได้เหมือนกันนะเนนมาฟันอันนี้ออกให้เนนมาฟันกิ่งไม้ตัวนี้ออกให้เนี่ย นี่อาบัดแล้วเนียนไปฟันปั๊บ ป, ปต้องอาบัดแล้วเนยนมาพิจารณางามาี่ออกเนละแล้วแต่จะทำํำดิพิจรารณาเห็นไหมมันรบไนะ่มทําไงมันถึงยังไม่รบอนะ่ะเนี่ยเราใช้คําพูดเขาเรียกว่ากับปิยะโวหารคําพูดที่เหมาะที่ควรต้องการให้กขาทมดินตรงนี้เป็นที่ลุมเป็นบอ่อแน่นแน่นทมตรงนี้ทําตรงนี้ไม่ให้เป็นลุมเป็นบอ่อ ต้องการจะให้เหน็งเังน้นฝังนี้เอาเน็งทาหลุมต้องการหลุมเน้นคุดคุดคุดคุดนี่ไม่ได้ผิดยอมคุดคุดคุดคุดยอมตัดตัดตันี่ผิดกับปิยโวหารต้องใช้เปลี่ยนในเมื่อเรามีความจําเป็นที่จะต้องจัดต้องทําเราต้องทําให้ดีทําให้ถูกนีความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันมีข้อที่เราจะควรพิจารณาดูไปให้รอบ การภาวนาเนี่แหละทําให้เรามาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรตัวอะไรเห็นข้อปฏิบัติอะไรอันนั้นเราจะเอาให้เรียบร้อยอันนี้เราจะเอาให้เรียบร้อยอันนั้นเราจะทำให้ทาเรียบร้อยเราก็สบายจะเดินตรงกลมจะนั่งภาวนาก็ เ, าเบาสบายมีมีผลมีอันิสงมีบุญมีบุญจิตใจสบายมีบุเราต้องอยู่อย่างสั่งสมบุญถ้าเราตั้งอกตั้งใจอยู่อย่างสังสมบุญนี่ เราไม่ล่าหลังใครอยู่อย่างไม่ลืมหูลื ม, ลมตาไม่สังสมบุญค น, นนั้นนหะล่าหลังแน่ๆแหละเป็นคนตกตกรุ่นเป็นคนตกสมัยเป็นคนตกงานเป็นคนตกบุญเป็นคนไม่มีบุญเราต้องมาคำนึงคำนวณสิ่งต่างๆเหล่านี้มากไม่ใช่เรานึกเฉพาะแต่ว่านึกได้แต่ว่าเออเราจะนั่งภาวนานึกได้แต่ว่าเออเราจะเป็นจงกรม ความดีเราสามารถสังสมได้ทุกอิรยิยบุตรในเมื่อของนอกกายเรามีความจาเป็นต้องเกี่ยวข้องเราจะต้องทำแบบทาเป็นข้อวัตรปฏิบัติจากนั้นพระเนนเราก็มีวินัยส่วนอื่นๆละเอียดเข้าไปอีกให้ศึกษาให้ดูหนังสือมันมีตำรับทำล้าให้ดูสิทธสิทธิ์มีอะไรบ้างเราขาดไปกี่ข้อเพราะเหตุใดบ้างเหตุใดบ้างให้รู้ให้เข้ใจ แล้วให้วีระให้งดให้เว้นให้กิงจังเข้าไปให้เป็นอาทิสินแล้วเราก็ศินสองรยี่สิบเจก็ดูเข้าไปอันไหนเป็นส่วนของอภิสมาจารย์อััตทุกขก์ต้องดูให้เข้าใจดูหซือมีหนังสือดูหนังสือมีเยอะอยู่ในตูน้เอาไปดูเพราะเราไม่ได้เปิดเรียนเป็นห้องเรียนเหมือนปริยัติเขาสอนกันในห้องเรียนเราไปดูไปเข้าใจดูเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราเอามาปฏิบัติ เราอย่าทิ้งอย่าทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าทิ้งตำราในข่าวที่เราดูเราก็ดูให้เข้าใจในข่าวที่เรานั่งภาวนาเราเอาความเข้าใจนั่นแหละมานั่งภาวนาหรือในการถือถือวินัยดูให้เข้าใจแล้วเราก็มาถือไม่สงสัยตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ถามกันได้ถามมูเราได้ถามครูบาอาจารย์ได้ศึกษาเข้าไปปริยัติปริยัติธรรม ปฏิปปิติสัตธรรมปฏิเวทสัตธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปด้วยกันแล้ปริยัติปริยัติปริยัติไม่มีปฏิบัติเสร็จแล้วก็ทิ้งทอดทิ้งปริยัติไม่รู้ว่าอะไรคือกฎเกณฑ์อะไรคือหลักเกณฑ์ทําผิดทั้งๆ ท, ที่เราขาดความสนใจมันก็ต้องอาบัติอยู่ยวันยังค่ํำความละเอียดออภายในกิจยาการกายวาจามันก็ไม่ละเอียดออเนื่องจากว่าเราทอดทิ้งเราทอดทิ้งหลัก หลักปฏิบัติอย่าลืมหลักปฏิบัติถึงพราวเราไปดูเราก็ตั้งใจดูดูเสร็จแล้วเรารู้เราเข้าใจเข้ามาเป็นข้อปฏิบัติอย่าคิดว่าไม่สําคัญการท่องบทสวดมนต์บทนั้นบทนั้นบทนั้นบทนัน้นที่เรามีความเกี่ยวข้องมีความจําเป็นก็สําคัญเราต้องดูต้องท่องเราเพราะมันเป็นธรรมเนียมของพรงเราเราทิ้งหมดอะไรก็ไม่เอาอะไรเยอะท้าสัปีก็ไม่เอาเนี่ยมันก็หมดแล้ว หมดทำเนียมหมดทำเนียมที่เราอ่ะครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝังเอาไว้ชาวบ้านทําบุญก็ต้องมีการให้พรยะถาสัพพีเป็นขนบเป็นทำเนียมที่ดีที่งามบทไหนที่จําเป็นเราก็ท่องบทแสดงาบาตรก็พยายามรู้ให้เข้าใจบทสวดบทไหนที่มีความจําเป็นเราก็ท่องท่องให้ได้ท่องให้จําในขณะที่เรา ท่องเราก็ตั้งใจท่องมันไม่เสียจิตใจดอกไม่เสียเวลาเราท่องไปแล้วเราซัวได้ซัวได้เราว่าได้ถึงเราตั้งใจภาวนาเราก็ตั้งใจภาวนามันสิ่งมันมีความจำเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีความจาเป็นเราก็ดูเอาตั้งใจฝึกฝนโอลงไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ได้เองมันก็มีเองมันก็เป็นเองพอละพอสมควรละ